พระธรรมเทศนาแผ่นที่47ลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่29มิถุนายน2555มีชื่อเรื่องว่าความภาคภูมิใจของพระเมื่อวานหลวงพ่อได้ขึ้นไปผูก้อน เป็นงานวันเกิดของหลวงพ่อชาลีอายุ67ปีเต็มปีนี้เข้า68หลวงพ่อเกิดก่อนหลวงพ่อชาลีนะหลวงพ่อเกิดเมษาหลวงพ่อชาลีเกิดมิถุนามิถุนาใช่แต่พรรษาของหลวงพ่อชาลีน้อยกว่าเพราะว่าหลวงพ่อชาลีบวชทีหลัง ท่านคร บ, บวทนก็บวดแต่หลวงพ่อเนี่ยบวชบวชก่อนอายุครบหลวงปู่ล่าท่านนับเอาในท้องอีกสามเดือนหลวงพ่อบวชยังขาด20สิปีอยู่สมเดือนส9้าปีหเดือน19ปีส2บสองเดือน 9, 9้าเดือน ใช่หกเดือนนับในท้องแม่หกเดือนแต่ในพระวินัยท่านให้นับได้เก้าเดือนแล้วก็ทาวนนับอธิคมาตรเขาไปด้วยเพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นคือผู้ที่จะบวชแต่ตามไม่จริงก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่หลวงพ่อเลยครับเอาในท้อง ท้องแม่เนี่ยกเดือนเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยบวชอายุยังไม่ถึงยี่สดีท่านนับแบบจันทรคตินะแล้วก็หลวงพ่อพอนั่งกระบวชเพราะนั้นหลวงพ่อจะถ้าอายุเท่ากันเนี่ยหลวงพ่อจะแก่กว่าพรรษาจะมากกว่าเพื่อนเกือบทุกองค์ พอหลวงพ่อบวชเป็นเนรมาเป็นสมณเณรมาตั้งแต่อายุ11อย่างสิองเป็นสมณเณรอยู่8ปีเพราะนั้นเวลาเป็นสมณเณรอยู่หลวงปูล่ลาก่อนเรียกว่าเป็นช่วงที่ว่างในช่วงเดือนกุมภาอากาศก็ไม่ถึงกร้อนมากเพราะจะต้องเดินทางไกลจากภูเจาะก้อไปมุกดาหาร ท่านเห็นมาช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่างและก็พร้อมที่จะบวชได้ท่านหลวงปู่ล่าท่านก็พิถีพิถันมากในเกี่ยวกับวินัยท่านก็ซักไสไหลเลี้ยงและเลียงอีกเลียงแล้วเรียงอีกเลียงแล้วเรียงอีกฮะปรึกษาครูบาอาจารย์เป็นที่มั่นใจท่านก็อเอาบวชได้หลวงพ่อจะได้ไดบวชพอบวชมาแล้วก็หลวงพ่อได้ท่องปฏิโมกตั้งแต่เป็นสมณเณรนะ อายุ17ปีท่องปฏิโมกได้แต่เป็นสมณรน จ, จากนั้นก็ท่องสาธยายมาเรื่อยๆพอครบพระพอบวชพระปะรกักแกลกก็มาสวดปฏิโมกอยู่ที่วัดบ้านเหล่าหลวงปู่มหาบุญมีบ้านเหล่าโคกกลางมาสวดปฏิโมกที่นั่นพราะพระครบตามปกติหลวงปูล่ลาท่านจะมาลงอุโบสถ กับหลวงปู่บุญมีปู่มหาบุญมีบ้านเหล่าทุกวันอุโบสถพอวันนั้นท่านก็ให้หลวงพ่อเป็นผู้สวดพระปฏิโมกเป็นปักแรกเป็นครั้งแรกแต่ก็ผ่านได้นะคงจะไม่ทักอะไรมากเพอหลวงพ่อก่อนที่จะขึ้นก็ได้ฝึกซ้อมพอสมควรแต่พอจบหลวงลงปู่บุญมีท่างกหลวงปู่มหาบุญมีท่านก็บอกว่า เออปฏิโมกยนี่ใช้ได้อันนั้นเป็นครั้งแรกรพ่หลวงพ่อจบแต่เป็นสัมมาณีแต่ทําไมจึงจบปฏิโมกแต่สัมมาณีก็มีครูบาทุกวันนั้นก็เป็นหลวงปู่แล้วหละหลวงปู่ชีลาท่านก็ไปเป็นพระท่านเคยเป็นนักประพันธ์เก่าเป็นหมอลำเก่าเป็นผู้มีชื่อเสียงโดงดังสมัยนั้นท่านเป็นหมอลำมาจาก จังหวัดยะโสธรอําเภอพนมไพรแล้วก็เป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นหมอลำอีกหมอลำใหญ่ขึ้นเวทีไม่ยอมแพ้ใครเลยสมัยนั้นท่านคนทั้งหลายตั้งชื่อว่าหมอลำศีลาถ้าว่าใครถามติดนนะ่ะติดคาคนพูดไม่ได้แปลว่าไล่ลงเวทนะีไม่มีอนะถ้าหาว่าถึงขนาดท่านแผน แผ่นดินทั้งแผ่นเลยจะพลิกเลยถ้าหาว่าหมอลำศีลาติดคาคนเขาถามปัญหาแล้วแก้ไม่ได้แผนดินพลิกเลยอืเขาเขาให้เขาเขาให้ฉายาแต่ทึ้งยังไงท่านก็ไม่มีครอบครัวนะถ้าเขาบวชนะพ่อบวชเข้ามานะโอโ้ท่านก็ท่านเป็นนักเทศเป็นหมอลำเก่าอยู่แล้วเนะี่ยเราก็ไม่คาดคิดว่าท่านจะเทศเก่งนะ ท่านแสดงทำไปที่ไหนโอ้คนติดคนชอบฟังอาจารย์ชีลาเทศแต่ลุงปูร่าเนี่ยท่านไม่เทศนะทางว่าสาธารณะเนี่ยลุงปูร่าเนี่ยไม่เอาถ้าสองสามคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นเนี่ยเท่าไหรเท่ากันถ้าว่าคนมากๆสาธารณชนนะ ล, ลุงปูร่าจะเทศไม่ออกเนี่ยแต่ลุงปูชิลานี่ยตรงกันข้ามเพราะท่านเคยเป็นหมอลำเก่าแต่เป็นลูกศิษย์ลุงปูร่านะเนีเขาลบลวงปูร่าเนี่ยเขาลบสุ ด, สด ถ้าตอนหน้าหลวงปู่ล่าเนะี่ยเหมือนก็ไม่มีปากมีเสียงนะก้มนาฟังอย่างเดียวอแต่ทางว่าออกมาข้างนอกแนละ้วอ๋อไม่ใช่ธรรมดาเนะี่ยลวดลายคูบาศีลาสมัยนั้นที่ในท่านก็บอกว่าเราเนี่ยนะบวชปีแรกเน้นอินคูบาในบวชปีแรกที่เลนูนครแต่ไม่มีพระปฏิโมกเราเรียนปฏิโมก เพียงสิบเอวันจบปฏิโมกขะเชื่อไห ม, มบวชเข้ามาแล้วไม่มีพระปฏิโมกข์จะสวดปฏิโมกปักหน้านเรียนอยู่สิอวันปฏิโมกจบเลยโอ้ขนาดนึงแล้วกูบาเอเราทํามาแล้วหนึ่งแล้วสวดให้ฟังเนี่ยเรื่องท่านก็สวดได้เก่งดีจริงๆเรียนปฏิโมกข์สิบเอ็วันจากนั้นแต่สําหรับเราเองเนี่ยเราก็พยายามท่องท่องขึ้นไป ได้นหน้าสองหน้าโอ้โหมันทำไมยากขนาดนี้ปฏิโมกว์ีตภาษาบาลีพูดตัวไหนโอตอตอตต ต, ตไม่ได้ปฏิโมกเนี่ยคงไม่ได้เราเนี่ยวะเ ป, เป็นเนนนะแต่นี่ท่านก็บอกว่าเนี่ยต้องปฏิโมกต้องใจสู้มันจึงจะได้ถ้าใจไม่สู้น่ไม่มีทางก็นั่นเราเข้าพรรษาปีสิบเจ็ดอายุสิบเจ็ดปีได้ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมก ให้จบในพรรษานี้แล้วก็ให้จาน้อยได้วันละหกแถวขีดไปเลยเ ล, เล็กๆหน่ยนะปฏิโมกจะให้ได้วันละหกแถวเป็นยาอ่อนถ้าจิตติการงานยังไงก็ตามพระยาไยาม่ได้หกแถวแต่ละวันไม่ให้ขาดจากนั้นก็เข้าพรรษาเอาจริงๆเลท่องจริงๆใส่ใจจริงๆ ได้เดือนครึ่งแล้วนั่นเองปฏิโมกจบเลยทั้งที่มันยากๆนะสรุปแล้วก็คือถ้ามีความตั้งใจมีความใส่ใจมีความมุ่งมั่นไม่เหลือวิสัยพอท่องตอนเช้าขนาดก่อนนอน ấy, เนี่ยเออท่องเสร็จแ้วก่อนนอนต้องหลับตาทวนปฏิโมกทิ้งไว้ก่อนหลับตาทวนพอตื่นเช้าขึ้นมายังไม่ได้ว่ายพระยังไม่ได้ลุกนั่งภาวนานพอตื่นขึ้นมา ทวนนะ่ะกลับตาทวนก่อนอุปโปคจ ะ, ะการณตโตไปเลยแหละจากนั้นก็ดูหนังสือต่ออีกแต่บางวันมันก็ได้ตึงสามสี่ห้าหน้ากระดาษเพราะอะไะเพราะมันซ้ำซ้ำกันก็มีอยู่ที่มันท่องง่ายแต่บางหน้าเนี่ยโอ้โหสองสามแถวเนี่ยจะเกือบพังวันเหมือนกันแต่ก็พยายามยบไม่ให้มันขาดคือหกแถวเนี่ยให้ยืนพื้นเอาไว้เนี่ยนะสรุปแล้วก็คือจบ ท่องปฏิโมกจบใจสมัยอายุ17ปีจากนั้นก็ท่องซาธยายมาเรื่อยๆมาถึงจากนั้นก็มาเวลาออกมาทุรงวัดไหนไม่มีพระปฏิโมกหลวงพ่อก็ต้องขึ้นแสดงนะสวดพระปฏิโมกจูวัดหลวงปู่ฟั่นก็หลายครั้งทํากองเพลงจากนั้นก็มาบ้านตาพอมาเห็นในบ้านตาสวดพระปฏิโมกนะหลวงพ่อโอ เอาจิงขนาดนี้เลยเนี่ยพอท้าว่าสวดถึงหลวงตาท่านเป็นมหาอยู่แล้วใช่ไหมท่าเนเก่งบาลีอยู่แล้วทํานองนั่นก่อเรียบแล้วกระตุกอีกต่างหากหลวงตาเป็นคนกระตุกเองไอ้พวกที่ตรวจนั่นก็ตรวจเราโหไม่ได้แล้วแต่ที่ต่อมาก็มีพระปฏิโมกของเดียวทีาบางทีท่านก็เป็นหวัดบางทีท่านก็เป็นไข้หลวงตาท่านก็บอกเอ้า ไม่มีใครสวดปฏิโมกได้บงังเรือในวัดเราเนี่ยพระหนุ่มก็ต้องมีต่างหลายองค์อย่านี้มันไม่เรียนแต่ปฏิโมกนะเรา ก, เราก็เราได้อยู่แต่เราไม่กล้าสวดในลักษณะอย่างนั้นแหละพอสวด ร, รู้สึกว่าจริงจังเพ้อเพ้ อ, พอจะไล่ลงธรรมชาติอีกต่างหากล้วก็กลัวเลยทีนี้ต่อมาเราก็ฝึกซ้อมพอฝึกซ้อมวันนั้นท่านก็ให้ขึ้นพระของเท่านเป็นวัด ท่านสวดไม่ไหวเพราสวดตอนเช้าพอสวดขึ้นไปท่านก็ฟังท่านก็ทักไม่หมักนะหลวงตามหาบัวแต่ท่านทักไม่หมักท่านก็เออต้องช่วยนะปฏิโมกนะต้องพระในวัดต่างเยอะแยะมันไม่สวดไม่ได้ยังไงพอต่อมาอีกครั้งที่สองพราะท่านเตรียมตัวแล้วพอเห็นเราขึ้นไปท่านเตรียมตัวจะทักไดแต่พ่อขึ้นไปแค่นั่นแหละ โอ้ยทักซ้ายทักขวาทักหน้าทักหลังสวดตอนเช้าเนี่ยตั้งแต่ตีห้านะจนถึงเกือบเจ็ดโมงเช้านะจนชาวบ้านมาเต็มรอบศาลาจะใส่บาทปฏิโมกยังไม่จบโต๊ะโต๊ะโต๊เวลาท่านทักทีลรเนี่ยเราก็ทักไม่ติดเหมือนกนเถอะเราท่องอย่างเต็มที่มาแล้วเหมือนกันเหมือนกันถเถอพอสวดปฏิโมกตลงสวดท้ายปฏิโมกเสร็จไปว่าคองผ้า ล, ลงไปบิณฑบาตเลยวันนะัรอบศาลาเป็นวัน ถ้าจะไม่ปิดเพราเป็นวันเข้าพรรษาหรือเป็นวันฉลากระพัดควรมาใส่บาตรในวัดนะอาจากนั้นก็หลวงพ่อโอ้โหปฏิโมกของเราถึงคงหมดไม่เอาอีกแล้วยอมแพ้เราคงไม่ได้เราเดินหน้าไม่ได้แน่นนปฏิโมกของเรานะจากนั้นก็หลวงพ่อก็หยุดอหยุดใครเข้าวัดยังท่องอยู่แต่ก็ไม่กล้าขึ้น เวลาท่านองค์ท่านขึ้นมาแป๊บๆนิมนท่านขึ้นมาหม่ๆผมไม่เอาเหรอเห็นไหมวงตาทักผมเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยผมเข็ดขยาดเลยผมคงท่องไม่ได้คงจะสวดไม่ได้ดวงตาท่านเอาจริงจังเหลือเกินให้กูบาเนี่ยแหละสวดไปเดี๋ยวผมจะค่อยถ้าจําเป็นจริงๆจะค่อยผมผมจะสวดสวดแทนถ้าไม่จําเป็นกน็ให้กูบาเนสวดไปเรื่อยๆเถอะผมจะฟังผมจะศึกษาไปเรื่อยๆก่อน พอผ่านไปปักหนึ่งตามมัจริงมันสลับกันไงปักหนึ่งองค์หนึ่งขึ้นปักหนึ่งองค์หนึ่งขึ้นปักหนึ่งองค์หนึ่งขึ้นสลับกันอ่ะท่นนี้พอปักของเราเนี่ยเราก็ไม่ขึ้นท่านก็พูดแหละนะทําไมปฏิโมกทําไมไม่สลับกันนะทําไมไม่ช่วยกันมันเป็นหน้าที่สูงนะมันต้องช่วยกันนะสวดปฏิโมกพอต่อไปอีกเราก็ไม่สวดอีกเลท่านก็บอกฮะท่านอินเนี่ย ทำไมไม่ขึ้นสวดปฏิโมกมันต้องช่วยกันนะบ่งชื่อเลยบ่เนี่ยบ่งชื่อนะพอขึ้นมาอีกปากหน้าอีกเราก็ไม่ขึ้นอีกท่านก็บอกว่านี่นะมันต้องขึ้นนะอะต้องช่วยกันสวดปฏิโมกนะทาไมหูกับปากมันอยู่ใกล้กันตัวเองพูดอะไรออกไปไม่รู้เหรอว่ามันผิดมันถูก หูกับปากมันไม่อยู่ไกลกันหูท่านปากท่านเวลาท่านออกเสียงออกไปกับหูของท่านท่านไม่ฟังเหรอมันผิดแล้วมันถูกขนาดของห ย, ยาบๆอย่างเนี้ยยังฟังยังรู้เรื่องอยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ก็ยังเอาจะทําให้ดีไม่ได้แล้วจะทําใจที่มองไม่เห็นด้วยตาอมองใจตัวเองไม่เห็นด้วยตาแล้วจะถึงมรรคถึงผลได้เนี่ย มัจะถึงได้ยังไงถ้าขนาดของหยาบๆอย่างนี้นยังทําไม่ได้ฮะหลวงตาขู่อะไรแบนี้หลวงพ่อยางจําคําขู่ของหลวงตาได้อย่างนั้นหลวงตาขู่ไม่มหมือนเราเฮอะอย่างหลวงพ่อนี่เด้โอจริงจังเล่าขอโทษๆ ๆ, ๆๆๆวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แต่นี่ก็ฝึกซ้อมใหม่เลยตะกอดมันรัวเลยพอขึ้นไปได้ขึ้นเหมือนกับขึ้นขี่ลัม้าบักจอดอย่อนนยางนั้นลรางั้นเถอะ พอขึ้นไปก็วิ่งเจ้าอะไรงเงี้ยแต่ข่าวนี้ไม่ได้พอขึ้นไปก็ต้องพูดมีลีลามีทํานองเลยเอี่แบบพูดช้าๆช้าๆช้าๆช้าๆมั่นใจพูดแต่ละคํำละคําละคำเอี่ยพวกสวดข่าวนี้ท่านไม่ทักมากเอีท่านก็คงจะข่าวที่ก่อนมักทักมากแล้วขาวนี้ก็จบลงได้ทักไม่กี่คําพอต่อมาหลวงพ่อก็เลยเป็นองค์หนึ่งสวดอะไรแต่ละ เสวดประจําที่วัดป่าบ้านตาดจากนั้นมานท่านอาจารย์องค์นั้นท่านก็เลยออกไปข้างนอกจากนั้นหลวงพ่อก็ได้สวดทุกปักเลยทีเนี่ยเป็นเวลาเป็นปีๆเหมือนกันสวดที่นั่นที่วัดป่าบ้านตาดนี่แหละนี่นแหลคือการสวดพระปฏิโมกที่ว่าหลวงพ่อบวชเข้ามาแล้วทาไมปฏิโมกของหลวงพ่อจึงได้และมีความตั้งใจอย่างไง ที่จะสวดปฏิโมชนี่แหละสรุปแล้ะก็คือความตั้งใจมีความใส่ใจมีความมุ่งมั่นแล้วก็พยายามฟังแล้วก็ศึกษาอย่าไปกระโดดข้ามต้องจับหนังสือมันก็อ่านเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวถ้าตัวไหนที่เราเคยข้ามเราก็เขียนเอาไว้ขีดตรงนั้นเอาไว้ตรงนี้นให้ระวังมันออกภาษาอย่างนี้ะนี่แหละอันนี้ก็คือ ท่านใส่ใจมากกลวงตาเนี่ยถ้าทำไปสวดไม่ดีเนี่ยท่านไล่ลงจากธรรมมาต้อเอาขายขีหน้านี่บางองค์เอาจริงๆนะไล่ลงจากธรรมมาเลยไม่ให้สวดเอาอื่นขึ้นมาตรงนี้ไม่ใช่ตรงจะมาฝึกสอนกันถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ใช่จะมาสอนกันในจุดนี้มันขึ้นชกแล้วเราจะมาสอนมวยกันในขณะนี้ได้ยังไงมันขึ้นชกมันก็ต้องพูดตามลีลาการชก ไม่ใช่ยัมาสอนกันบนเวทีอย่างนี้ไปไล่ลงแปลว่าซ้อมไม่ดีหลวงตาท่านเอาขนาดตานีน่ใครๆก็กลัวหมดไม่ให้หลวงพ่อกลัวได้ยังไงใช่ไหว่าท่านเป็นมหาอิต่างหถ้าว่าใครก็ตามผ่านสนามบ้านตาดแล้วเนี่ยแปลว่ายอมรับกัดสรุปรล้วคือพุกทุกวัดถ้าเคยผ่านสนามบ้านตากมาแล้วแปลว่าทุกวงทุกหมู่ทุกเหล่ายอมรับกันเพราะว่าดลวงตา เห็นมาแล้วนะอ่ะอาจารยพูดทางนี้ทางนั้นก็ให้พวกพระน้อยพรนุ่มทั้งหลายอย่าไปถือว่าปฏิโมกเป็นหน้าที่ของคนอื่นนะเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราใส่ใจใฝ่ใจในการเรียนการศึกษาแล้วไม่เหลือวิสัยนะแต่ทางว่าเราไม่ใส่ใจปฏิโมกไม่ใช่ธรรมดามกันนะนะยากพอสมควรแต่ถ้าได้แล้วก็ภาคภูมิใจนะเราสวดแล้วสวดได้อืมแล้วก็ภาคภูมิใจในการสวดนะ อัรับผอนอนโมตนาให้คร